อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการอของสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนปี2557จึงเป็นวันขึ้นสองค่ำเดือนหนึ่งปีมาเมียด้วยรายการธรรมรับอรุณนะคะซึ่งเช้าวันอาทิตย์นี้ก็มาสากักษาหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโน พระอาจารย์ภูมิเนรการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตาบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ของหลักสูตรการรีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัชนาจากพุทธโอสถของวัดป่าดอนหโศกแบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆเลยนะคะดังนั้นถ้าผู้ฟังทางบ้านที่สนใจจะมาฝึกปฏิบัติที่วัดป่าดอนหโศกก็ เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของทางวัดนะคะก็คือเป็นตัวย่อของทางวัดแล้วก็ .org ก็คิดว่าคงจะทำให้ท่านผู้ฟังนั้นทราบแล้วก็รู้ระยะเวลาว่าแต่ละมีการอบรมหรือว่ามีหลักสูตรปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างนะคะค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้มสักการพระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุโนของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเสนา เจ้าค่ะช้าวันอาทิตย์นี้มีเรื่องคําถามที่ท่านผู้ใช้นำว่าโนวันนะเจ้าค่ ะ, ะได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญมรณ า, านุสติเจ้าค่ะถามมาบอกว่าเมื่อเจริญมรณ า, านุสติมากๆเข้าจนเกิดความกลัวความเศร้าที่จะต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ซึ่งเมื่อ ท่านผู้ใช้นามว่าโนวันเนี่ยนึกถึงทีไรก็จะเศร้าน้ำตาซึมเลย อ, อันนี้เนี่ยจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วก็เรียนถามพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะว่าและเกิดจากอะไรจึงทําให้มีหลังจากเจริญบรณานุสติมากๆเข้าแล้วเนี่ยทำให้ท่านรู้สึกเศร้าผู้ถามเนี่ยอายุเพียง20ปีเท่านั้นเจ้าค่ะดังนั้นโยมก็ขออนุญาตกราบเรียนถามก่อนนะเจ้าค่ะว่า คําว่าเจริญมรณานุสติเนี่ยเจริญอย่างไรหมายถึงคิดอย่างไรที่เรียกว่าเป็นการเจริญมรณานุสติเจ้าค่ะเป็นเรื่องแปลกเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะคำว่ามรณะสติก็คือสติแปลว่ากานระลึกได้ะระลึกอะไรระลึกอะไรในที่นี้แต่ถ้าจจเป็นอานะ า, อ า, ชาใช่มรณะก็คือความตายถ้า<ะ>เราพูดถึงว่ า, อ, านอ น, นองงาป า, านสติก็คือระลึกถึงลมหายใจแต่พุทธานุสติก็คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นสังขารนุสติก็ระลึกถึงคุณของพระสงฆ์แ้าเป็นมรณสติก็ระลึกถึงความตายนะระลึกถึงความตายซึ่งไอการระลึกแต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นถ้าอนาปานสติเนี่ยเอากระหายใจเข้าหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะสิ่งการทั้งปวงก็ว่าไปใช่ไหมถ้าเป็น พ, พุทธานุสติก็อย่างที่เราสวดอิติปิโสพัควาทังสมาธิมุโทโทก็ว่าไปใช่ไหมถ้าเป็นธรรมานุสติก็ต้องอีกแบบหนึ่งซึ่งคําว่า สติที่มันไปติดกับอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีกระบวนการวิธีการเนี่ยไม่เหมือนกันนะและที่มรณสติก็มีกระบวนการวิธีการที่มันแตกต่างกันไปกับอื่นๆนะเพราะนั้นแค่ดูชื่อเนี่ยมันต้องดูรายละเอียดด้วยว่าที่ให้ระลึกถึงเนี่ยให้ระลึกถึงแบบไหนในแง่ไหนด้วยนะคะใช่ใช่ใช ถ, ถ้าลมหายใจในะการระลึกถึงลมหายใจไม่ใช่ให้ตามลมพระพุทธเจ้าก็จะบอกไว้ชัดเจนว่าให้ดํารงสติไว้เฉพาะหน้า นะซึ่งไม่ได้ตามลมเข้าลมออกแน่นอนถ้าคํานี้เรามาวิเคราะห์กันใช่ไหมเอาแล้วถามว่ามรณสติเนี่ยทํำยังไงคือไม่ใช่ให้แค่รู้ลึกถึงว่าฉันจะตายฉันจะตายฉันจะตายนะาย่นะท่องไว้เวลาร้อยหนว่าฉันตายตายตายตายมันไม่ใช่อย่างนั้นอืมเจ้าค่ะ น, นั้นคือการมองโลงในแง่ร้ายมากๆเลยเจ้าค่นะซึ่งถ้าถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเราก็จะกลัวอะไรทีนี้เอาอจะตายแล้วฉันก็ต้องจากกับคนที่รักนะสิแล้วไอ้ที่ที่ยังไม่เคยไปจะทํำยังไงมันก็อยากจะตายอยู่และที่ที่ยังไม่ได้กินก็อยากจะกินอยู่่น้คที ฉันก็ยังไม่มีแฟนเลยโอยหาผัว ก, ก็ยังไม่ได้ทำไงจะตายโอ้โหเ <c oughs> จ้าค่ะเจ้ามา่กเจ้าี่ก็จะมี่ะเจ้าค่ะเจบาค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเง้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้า ร, ร่าเจ้าค่ะเจ้าร่ะกจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่าเจาค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะจาค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนจ้าค่ะเ้าค่นเจ้าค่ะเจ้าค่นเจ้าคกะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเห้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเนี่ยจะมีมาก่ นะการตายเหตุปัจจัยแห่งการที่จะทําให้เกิดความตายขึ้นเนี่ยมีมากมายอันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะอันนี้คือ <Okay. S 1> ขั้นตอนที่หนึ่งยังไม่จบยังไม่จบมีสองขั้นตอนแตนะ <Okay. S 1> ถามว่าไอเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดความตายมีอะไรบ้างโอ้เตืนพลาดตกหกลม้ม อ, อาหารไม่ย่อยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งกําเริบงูพิษแมลงป่องกัดเราหรือว่าอยู่ๆก็ไม่รู้ลูกกระสุนมาจากไหนใส่หัวปุ๊บตาย <Okay. S 1> นะเ <Okay. S 1> มื่อคนเดียวนี้เหตุปัจจัยแหงความตายมีมาก นะอายุน้อยก็ตายได้อายุมากก็ตายได้อยู่บนถนนที่ว่าจะปลอดภัยก็ยังตายได้เ <Okay. S 1> นะหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในะช่วงที่เปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนในะช่วงที่เปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันช่วงรอยต่อตรงเนี้นะรอยต่อไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามนะคุณใจจะเป็น <Okay. S 1> รอยต่อของเวลาระหว่างเช้ากับกลางคืนอันะนี้ก็มีความตายจะเกิดขึ้นได้มีความเสี่ยงสูงเนะื้อก็เรียกว่าความน่าจะเป็นที่จะตายเนี่ย มันมีมากกว่าตรงนั้นหรือว่ารอยต่อระหว่างถนนตามสีแนะมส่แยกนะตามสี่แยกในเป็นรอยต่อระหว่างถนนก็จะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุความตายได้มากกว่านะหรือแม้แต่รอยต่อของสถานที่นะเราจะเข้าจากที่นี่ไปที่นั่นผ่านประตูหรือว่าผ่านโครงสร้างอะไรสัย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้ก็เป็นช่วงรอยต่อที่จะทําให้เกิดมีอุบัติเหตุความตายหรือว่าเรื่องอะไรที่มันจะกระทบกระทั่งความตายจะมีมากตรงช่วงรอยต่ออืมค่ะอา้าวแล้วยังไงต่อ เนี่ยพอมีความตายแล้วเนี่ยมีความตายที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมีอยู่มากมายเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดความตายมีเยอะอันนี้คือระดับที่1นึเนี่ยนือขั้นตอนที่1น่งพอเรารู้แล้วแล้วยังไงอ้าวถ้าคนที่มันจะตายเนี่ยความเดือดร้อนก็จะมีเกิดขึ้นกับเราอันนี้อันนี้เราจะต้องเกิดอะไรขึ้นเนี่พอเราพิจารณาถึงขั้นตอนที่1แล้วเราจะต้องเกิดความรู้สึกว่าด่วนละด่วนละมันจะต้องทำอะไรซึ่งอย่างหนึ่งเพราะว่ามันจะตายแล้วนี่คนจะตายเนี่ย มันจะต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาล่ะทำอะไรดีก็ขั้นตอนที่2ตัวนี้ขั้นตอนที่2ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามีอยู่หรือไม่หนาะนะบาปอคุโสธรรมที่เรายังละไม่ได้ที่จะทำให้เราถ้าตายไปตอนเนี้ยจะไปที่ไม่ดีมีไหมบาปอคุโสธรรมที่เรายังละไม่ได้ที่ถ้าเราเมื่อทําการละลงไปในวันนี้แล้วจะไปสู่ที่ที่มันจะไม่ดีถ้าไม่มีถ้าไม่มีให้สบายใจได้ ก็มันไม่มีเรื่องอาจจะมาต้องทุกข์ใจนี่เนาะก็ไม่ต้องทุกข์ใจก็สบายใจได้อันนี้คือกรณีที่ถ้าคุณเห็นความตายที่จะอยู่เฉพาะหน้าที่มันจะมาแต่ว่ายังไม่เห็นแหละแต่พิจารณาให้เห็นว่ามันจะมีแล้วปรากฏว่าเราเห็นแล้วเราก็มาดูว่าเออเรามีความชั่วความบาปความไม่ดีอะไรไหมที่มีแล้วถ้าเราตายไปมันจะทําให้มันไปไม่ดีถ้าเห็นเห็นแล้วว่าความไม่ดีนั้นมันไม่มีก็ให้สบายใจได้แต่ปราะว่าถ้าคนที่ไม่มีความไม่ดีอยู่ในใจเนี่ย เขาสบายใจอยู่แล้วแต่สบายใจแบบไม่มีเหตุผล่ะแต่แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเหตุผลที่อยู่คุณก็สบายใจอย่างนั้นนะคือคือหมายว่าเหตุผลของความสบายใจมันอยู่ในใจอืมเหตุผลของความสบายใจมันอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ภายนอกว่าฉันจะตายหรือฉันจะไม่ตายคไม่ใช่อยู่ภสบายใจว่าเราได้ไม่ได้ว่าทําความชั่วร้ายอะไรนะคะเราเป็นคนดีทำสิ่งที่ดีตลอดมานะเจ้าค่ะไม่ได้ไม่ได้มีความกังวลใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องจากคนนั้นหรือจากคนนี้เพราะว่าสบายใจจากข้างใน เนี่ยไม่ได้อาศัยความสบายใจจากข้างนอก <blank. S 3> เอาหม่ถ้าสมมติคนที่อาศัยความสบายใจจากข้างนอกเช่นมาต้องให้คนนี้นะมาเล่นกับฉันอย่างนี้หรือว่าจะต้องฉันต้องไปเที่ยวที่นี่ฉันต้องกินอันนี้แต่ฉันต้องอยู่กับคนนี้แต่ต้องหาคนนี้มาพูดอย่างนี้กับฉันอันนี้คือความสบายใจที่เกิดจากภายนอกเจ้าค่ะอ้าวถ้าจะตายมันก็จะต้องจากกั น, นะนอะไิ น, น, นั้นนี่เนี่ยอ้าถ้าจากกันแล้วก็ส่วนอะสิแล้วมันก็จะเริ่มความเครียดกะเศร้าอาจจะเศร้ามันก็คือจึงเป็นกรณีของท่านผู้ถามตรงนี้ว่าก็เลยเศร้า นะก็คือเพราะยังอาศัยปีติยังอาศัยสุกยังอาศัยสิ่งที่เป็นไปทางตาต่างหูอันเกิดจากสิ่งภายนอกซึ่งถ้ า, <จ>ถาตายมันจะต้องจากกันน่ะอืซึ่งถ้เมื่อตายมันจะต้องจากกันมันก็รู้สึกเครียดอะไรทีนีนะ้เครียดอะไรทีนี้อาจจะน้ําตาไหลหรือว่ามีอาการต่างๆอย่างที่ว่าไป่อา<จ>นะทีนี้ในกรณีที่ถูกต้องกนะ็คือถ้าเราพิจารณาเห็นแล้วว่าเราไม่ได้มีบาปกุศลเราทาอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะเป็นความสบายใจที่เกิดจากภายใน แตเป็นความสบายใจที่เกิดจากภายนเพราะว่าเราไม่ได้มีบาปไม่ได้มีอกุศลอะไรแต่ซึ่งความสบายใจที่เกิดจากภายในนี้นะเขาก็จะมีความสบายใจเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะตายก็ตามอันเนี้ยพระพุทธาก็ให้อยู่ด้วยความสบายใจตรงนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆเราก็ทำความเพียรให้มันยิ่งขึ้นไปในการที่จะทําให้มันได้สูงขึ้นนะเพราะว่าเพราะว่าคนที่ใกล้จะตายเนี่ยเอ่อเรื่องของอินทรีย์มันก็จะมีความแก่กล้ามากขึ้นอ่ะทีนี้เราเรายัง ไ ม, ไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะค่อยพูดในตอนตายรายการต้องการมา <Okay. S 1> ถึงแง่งที่2ก่อนในแง่งที่2ว่าเอาแล้วถ้าเราพิจารณาเห็นอยู่ว่ามันยังมีบาปปกตศุลธรรมอยู่อาจารย์เป็ไงเน่ยเช่นในกรณีที่ว่าคนยังอาศัยความสุขที่เกิดจากภายนอกนพ่อแม่ก็ต้องอยู่กับฉันนะฉันถึงจะมีความสุขอ่าวแสดงว่าคุณมีความสุขอาศัยพ่อแม่ได้เนี่ยความสุขที่อาศัยพ่อแม่จากภายนอกนี้เป็นเรื่องของกามแน่นอนเป็นเรื่องของกามคือ ย, ยังต้องอาศัยอิงอา mith ยังต้องอาศัยคนอื่นมาทําให้ฉันมีความสุข ต้องอาศัยอาหารมันะมล่อผ่านทางลิ้นนคะรัว่าอามิสเนี่ยหมายถึงเครื่องรนะ่อเนี่ยคุณินใจ <Okay. S 1> นะก็คือต้องคุณต้องอาหารมาล่อผ่านทางลิ้นเนี่ยฉันถึงจะมีความสุขแต่ต้องเอาเสียงมันล่อผ่านทางหูฉันถึงจะมีความสุขแตนะ่ต้องเอารูปเอาคนนี้มาล่อฉันผ่านทางตาถึงจะมีความสุขแตนะ่ถ้าคุณเดิไนไม่ได้ไอความสุขที่เกิดจากการอาศัยเครื่องร่อที่มาจากภายนอกเนี่ยอันนี้เป็นอกุโสระดำเอามันอกุโสระดำยังไง <Okay. S 1> มันก็น่าจะธรรมดาใช่ไหมคนเราก็อยากจะอยู่ร่วมกันอะไรก็ธรรมดา แต่อนนี้เป็นความสุขที่เกิดจากกามแต่เป็นความสุขที่เกิดจากตาต่างตาต่า ง, งหูซึ่งแน่นอนมันมีความมันมีข้อดีก็คือว่าทําให้เรามีความสุขได้แต่ น, นี่แหละคือข้อเสียคุณเดินใจว่าถ้าคุณตายปุ๊บมันจบทันทีคือข้อเสียของมันที่ว่ามันไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปได้ง่าย <Okay. S 2> นะง่ายกว่าอะไรง่ายกว่าความสุขที่เกิดจากทางใจแต่ถามว่าถ้าเรามีความสุขทางใจคุณตายแล้วมันไม่หายไปเหรอแตนะ่มันก็ยังเป็นบุญติดอยู่ไปกระจิตกับเราไงมันยังไปกระจิตได้ แต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูมันติดกับกายมันติดกับกายถ้ากายเราแตกดับไปปุ๊บมันก็ดับไปด้วยนคนที่เห็นความความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี่นี่เป็นโทษอันต่าซามของของสิ่งที่เป็นกามนะเอ้าฉันจะตายนี่ฉันก็จะไม่ได้เห็นแม่สิฉันก็ไม่ได้กินนั้นนี่สิฉันก็ไม่ได้ไปที่นั่นนสิว่าเศร้าแล้วทีนี้จะเห็นโทษอยู่ตามตาทีนี้ถ้าเห็นโทษอยู่ตามตาเนี่ยแล้ว เ, เราไม่รู้อุบายในการนําออกมันก็จะเป็นทุกข์โทษเกิดขึ้น ที่ใจของเราเจค่ะคือคือแน่นอนนะีนี้ทุกคนก็จะเจอความแก่เจอความทุกข์ที่เกิดขึ้นบ้างทุกคนเจอแหละนะทุกคนเจ อ, เ, อ, อเจอเรื่องจะไม่น่าพอใจออหรือว่าเจอความแกนะ่ผิวที่มันเป็นไปอย่างหนึง่งกับมันก็เป็นไปอย่างหนึง่งถามว่าถ้าคุณเจอแล้วนะเจอแล้วแล้วยังไงนะคือถ้าเราเจอแล้วแล้วเราไม่มีทางออ ก, ออกอื่นที่เป็นไปทางใจนะคุณก็จะจมอยู่กับกองทุกตรงนั้น จมอยู่กับกองทุกนั้นก็คือจะร่ำให้ร่าควรอ่ะมีความไม่สบายใจเพราะมันแก้ไม่ได้แล้วอ่ะโมันแก้ไม่ได้ถ้าแก่แต่คุณจะเอาครีมอะไรทาจากให้มันแก่เป็นไม่แก่มันไม่มีะครีมทาที่แก่แล้วมันก็ยังแก่เหมือนเดิมเหมือนจะดีได้นิดๆหน่อยใช่ไหมโจ๊กค่ะหรือว่าคุณจะเอายาอะไรใส่ให้จากที่จะตายมันไม่ตายมันไม่มีโค่ะมันไม่มีเผราอถ้าเราไม่มีทางออกอื่นนอกจากทางกายเราจะทุกจะต้องจมอยู่กับตรงนั้นน่ะคุณไม่มีทางออกตัน เป็นทางตันนะแต่ถ้ามีทางออกอื่นที่เป็นทางจ่ายนั่นแหละจะเป็นทางออกได้นะตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าสมมติเรายังมีบาปอากุศลธรรมนั้นๆอยู่นะนี่แค่หนึ่งตัวอย่างของบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องของการมนะการมไี่เป็นอกุศลนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือดีมีนิดเดียวแต่ไม่ดีมีมากในะความที่ไม่ดีมีมากเนี่ยจึงดูรวมๆว่ามันไว้ดีล่ะดังนั้นมันจึงเป็นอกุศลการมนี่เป็นหนึ่งในอกุศลหลายๆอย่าง ทีนี้ถามว่าถ้าเรามีอกุศลอย่างอื่นๆเชนะ่นนะความพยาบาทเบียดเบียน <ๆ S 1> ความเกลียดแค้นมาร้ายความที่บองร้ายเขาพวกนี้เป็นบาปอกุศลธรรมทั้งสิ้นแตนะ่ถ้ามีแล้วทํำยังไงต้องรีบละโดยด่วนโดยด่วน ด, ดวน่ดด ว, นดดวนขนาด <c oughs> ไหนด่วนขนาดว่าท่านคนที่ไฟไหม้หัวอยู่ไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้ผมอยู่เนี่ยหรือไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนี่ยคุณจะใจว่าเขาจะไปหาข้าวกินก่อนหรือว่าโทรศัพท์หาแม่ก่อนหรือว่าเขาจะดับไฟก่อน ก็ถ้าเป็นปกติก็คือต้องดับไฟก่อนนะจ๊ะดับไฟก่อนต้องด่วนที่สุดเดีย๋ยวไม่ได้เขาจะต้องดับไฟก่อนเขาจะต้องพยายามที่จะดับไฟก่อนที่จะทําอย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นเลยเช่น<ะ>เดียวกันอันนี้เป็นอุปมาประไม้ที่บุเคลาเบเทียบกับให้เพื่อเราเข้าใจว่าอ้าวถ้าเราพิจารณาเห็นแล้วว่าเราจะตายเนี่ยแล้วมันยังมีบาบากรศรธรรมที่มันยังละไม่ได้ในกรณีนี้คือความคิดในทางกามเนี่ยจะต้องการความสุขจากพ่อแม่ความสุขจากอาหารความสุขจากสิ่งภายนอกเนี่ยเรารีบละ ไอ้เจ้าบาปอากุศลธรรมนี้โดยด่วนด่วนเนี่ยเช่นะชนเดียวกับคนที่ไฟไม่ผมไฟไม่ซื้อผ้าจะรีบดับไฟก่อนที่จะทําอย่างอื่นอือเจ้าค่ะ่ประเด็นตรงนี้คือเขาเห็นแล้วเนะอย่างกรณีของเจ้าของคาถามนี้คือเขาเห็นแล้วว่าเออฉันพิจารณาความตายนะแล้วฉันก็พบว่ามันมีบาปอากุศลตรงนี้คือเรื่องของการมอยู่เนะี่ยแล้วต้องรีบละตรงนี้ต้องรีบละมันคือต้องมาต่อขั้นตอนที่สองนั่นเองเจ้านคะ่ะต่อสเต็ปที่สองว่าแล้วเราจะละอย่างไร เพราะว่าตอนนี้การที่พิจารณาความตายได้เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคุณจันทร์ใจคือแสดงว่าเรามีสติระลึกถึงความตายเนี่ยมันดีกว่าคนที่เขาไม่ได้มีสติระลึกถึงความตายอืมเพราะว่าถ้าคนที่ไม่มีสติระลึกถึงความตายเขาก็จะเล่นประมาทมัวเมาอย่างน้อยเขาก็ยังไม่ได้รักไป่เขาก็จะไม่ได้รักพ่อรักแม่ล่ะเขาจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะต้องจากพ่อจากแม่เลยเพราะเขาคิดว่าเขาก็จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดค่ะ ก็ยังไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องจากกันอันนี้คือเราก็ดีขึ้นมากว่าคนที่เขายังไม่ได้ระลึกถึงเรื่องความตายด้วยซ้ำเจ้าค่ะสำหรับกรณีของคนผู้ถามมานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าเป็นน้องอายุแค่20ปีเนี่ยคำว่าเจริญบรณานุสติของน้องนี่ก็คงคิดแต่ว่า ต้องมีวันหนึ่งแหละต้องออเจ้าค่ะต้องพลาดพลากจากคุณพ่อคุณแม่เนะี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องตายจากไปแน่นอนแล้วเขาจะอยู่อย่างไรก็คงจะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเจ้คาค่ะยมคิดว่าน้องก็คงจะคิดถึงประมาณพื้นเบื้องต้นว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องต้องตายจากไปก็เลยเศร้า น, นะเจ้าค่ะแค่นี้พระอาจารย์เมตตาชีแนะน้องนิดเดียไม่เจ้าค่ะว่าจะต้องคิดอย่างไรจึงจะทําให้ก้าวล่วงพ้นกับความที่เหมือนกับยึดติด กับสิ่งที่เหมือนอย่างเมื่อสักครู่พร่อาจารย์พูดนะเจ้าค่ะว่าเจ้าค่ะการว่าเออรักติดกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่าคุณจะคิดยังไงและทําอย่างไรดีจึงจะทําให้ตรงเนี้จิตน้องเข้าสูงขึ้นเข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เนี่ยอันนี้ก็คือสเต็ปที่สองขั้นตอนที่สองนั่นเองนะซึ่งในในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องมรณสติคือการระลึกถึงความตายเนี่ยบอกไว้สองส่วนนัคือส่วนแรกที่พูดไปว่าเราต้องพิจารณาถึงความตายอันนี้เขาทาถูกทําดีแล้วนะระลึกถึงตัวนี้แสดงว่า มีสัมมาสติอยู่พอสมควรทีเดียวนะเดตที่2พอรู้แล้วว่าเอ้ยยังมีบาปอกุศลธรรมนี่นาะอ่าคือเรื่องของความคิดถึงพ่อแม่คิดถึงสิ่งต่างๆภายนอกอันนี้เป็นเรื่องของการอันนี้จัดว่าเป็นบาปอกุศลตรงนี้แหละคือว่าแล้วจะละยังไงมันยังละไม่ได้เนี่ยมันยังละไม่ได้ละยังไง <Okay. S 2> นะซึ่งตรงประสูนย์นี้เขาจบที่นี้นะคือในเรื่องเนื้อหาของมนานณสติเนี่ยคือจบที่นี้ไม่ได้บอกว่าเราจะละยังไงแค่บอกว่าให้รีบรีบละโดยด่วนแต่เอาแล้วจะละยังไง <Okay. S 2> ไม่ได้ไม่ได้พูดเอาไว้อเจ้าถามว่าเราจะละยังไงถามท่านผู้ฟังเนี่ยอท่านผู้ฟังฟังรายการธรรมะรับรุนมาถ้าคนไม่ได้เพิ่งเริ่มฟังวันนี้เอาฟังเมื่อวานเนี่ยธรรมะเขจะพูดอยู่เป็นประจำว่า้คุณจะละยังไงแต่คุณจะละเรื่องของการยังไงคุณจะทํายังไงถึงจะทำให้สิทสูงขึ้นได้จะทำยังไงให้อคุิศรธรรามันออกไปจากใจของเราได้ให้คุณเดินใจต่อแทนท่านผู้ฟังอ่ะอืมเจ้าค่ะก็จะต้องเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตถูกไหมจ้าค่ะโอเคอันนี้ก็ได้เป็นเป็นอุบายอันหน อุบายใดๆก็ตามอุบายใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าบอกไว้เป็นอุบายที่จะนําออกซึ่งไอ้เจ้าความทุกข์นั้นอุบายนั้นเนี่ยก็เรียกอุบายในการนําออกซึ่งการเห็นความไม่เที่ยงนี้เป็นหนึ่งในหลายๆอย่างได้จ้านะเช่นในกรณีนี้คุณท่านผู้ถามนี่เขาเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตได้อยู่เฮ้แต่ว่ามันยังละไม่ได้ฮะเห็นความไม่เที่ยงในชีวิตนี่คือเป็นขั้นตอนที่1ใช่ไหมอ้าวเราเอาอะไรได้อีกเอาอะไรได้อีกแลเราเห็นความไม่เที่ยงนี้ได้ หรือว่าเราเห็นความเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปเป็นธรรมดาก็ได<แ>้แต่ ว, ว่าความที่เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดานีนหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้ทําความเข้าใจตรงนี้คือพระเจ้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรต่ําความรอบรู้ทําความเข้าใจนต่นว่ามันเกิดขึ้นได้คนตายมันก็เกิดขึ้นได้พ่อแม่ไม่ตายก่อนเราเราก็ตายก่อนพ่อแม่นี่คือเราทําความเข้าใจตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ ถ้ามันเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้ ม, Exchange, มันก็เกิดกิดกับคนอื่นได้มันก็เกิดกับฉันได้ <Okay. S 2> ก็ต้องยอมรับตรงนี้เพราะฉะนั้นคือเราทําความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับกรณีแรกที่คุณตือนใจพูดถึงนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมี <Okay. S 2> ความไม่เที่ยงในชีวิตความมีความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆาสองที่จะมาพูดมบนสครู่นี้นคือการเห็นความเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรมดาของมันมันเกิดขึ้นได้ okay. เกิดขึ้นก็ดับไปนะจ๊ะค่ะใช่ก็คือล่วงไปเป็นธรรมดา เ, าเกิดขึ้นดับไปเนี่ยคือหมายก็ว่าอันนี้คือหนื่งของความไม่เที่ยงใช่ไหมแต่แต่สิ่งที่กําลังพูดถึงทําความเข้าใจเรื่องความทุกข์เนี่ยคือเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้นะถ้ามันเกิดขึ้นได้เราต้องยอมรับมันน ะ, ะนคือเราจะยอมรับได้นะเราจะยอมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยได้เพราะว่าทุกคนเขาก็มีกันทุกคนเขาก็มีกันฉันก็มีมันก็ไม่แปลกอะไรนี่นะก็ยอมรับมันซะกลืนเข้าไปซะอันนี้คือข้อที่สอง หรือว่าข้อที่3เราไปหาความสุขที่มันละเอียดกว่าประณีตกวา่าเช่นแทนที่เราจะหาความสุขที่เกิดจากทางตาทางหูเพ่อต้องอยู่กับนแม่ต้องอยู่กับชันต้องกินกันพูดกันนะอยู่ร่วมกันนะมีความสุขทางตาทางหู ด, ด้วยกันอันนี้มันก็มีความสุขแบบนี้ก็กเป็นอย่างหยาบอยู่เราก็หาความสุขอื่ น, นที่มันละเอียดยิงง่งยิบไปเช่นการเข้าสมาธินะปีตีสุขที่เกิดจากในภายในเป็นอุเบกขาบ้างเป็นความสุขชนิดที่ละเอียดลึกซึ้งลงไป เขาก็จ ะ, ะคลายความกำหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นภายนอกนั้นได้มาอยู่กับความสุขที่เป็นในภายในอันนี้ก็เป็นอุบายที่สามได้เจ้าค่ะอีกอันนึงโยมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่พระอาจารย์เคยพูดสั่งสอนนะเจ้าค่ะว่าบางทีเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยท่านอาจจะยังไม่ได้เข้าวัดเข้าวาปฏิทธรรมเนี่ยอันนี้เราก็นำท่านไปไปกับท่านซะก็จะมีความรู้สึกสบายใจอย่างหนึ่งว่า มันเป็นบุญกุศลด้วยที่เราจะนําท่านไปเห็นแสงสว่างของพระธรรมใช่คือถ้านน ม, าามนาบิดายังไม่เป็นผู้มีศีลเราก็ทําให้ท่านเป็นผู้มีศีลคือบางทีความกังวลมันอยู่ในคุณธรรมที่ว่าเอ๊ะฉันยังไม่ได้ตอบแทนบุญมนาบิดาเลยนะเจ้าค่ะฉันยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณมนาบิดาฉันตายไปนี่โอ้รู้สึกเครียดรู้สึกเศร้าอ๋อคุณก็ตอบแทนซะแล้วนะตอบแทนแบบไหนถึงจะถูก นะให้สิ่งของให้อะไรมันก็ตอบแทนทางภายนอกมันยังไม่เสมอกันเราก็ตอบแทนด้วยการที่ให้ท่านมีศีลให้ท่านมีมจาคะาให้ท่านมีปัญญาให้ท่านมีศรัทธาศีลศรัทธาจาระค า, า, า, าปัญญาพวกนี้จะเป็นคุณธรรมที่ถ้าเมื่อท่านมีแล้วนะท่านก็จะไปสูงไปดีนะการากาที่เราช่วยในกระบวนการตรงนี้นะก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ทีนี้ว่ากระบวนการช่วยเนี่ยบางทีมันใช้เวลานะคุณต่อใ จ, จอใช้เวลาคือบางทีอย่างท่านพระสารีบุตรอย่างี้ แม่ท่านนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมจนกว่าท่านเกือบจะปฏิบัติานั่นน่ะถึงจะสามารถที่จะช่วยแม่เห็นมีสมาธิติดได้เงี้ยอืมซึ่งถ้าเผื่อว่าเรากระบวนก า, การก็คือว่าเราชักนำแล้วเราก็ทํากระบวนการนี้แล้วถือว่าเราทําหน้าที่แล้วนคือสัตว์โลกแน่นอนว่าย่อมเป็นไปตามกรรมแะถ้าเราได้ทําพยายามทําหน้าที่ของเราคือท่านอาจจะได้หรือไม่ได้แต่เราได้ทําหน้าที่ในการที่จะพยายามให้ท่านเนี่ยตั้งอยู่ใน ผลทางตรงนี้นได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าเราได้ตอบแทนบุคคลมนาปิด า, า ก, ก็ได้ทําหน้าที่ก็ถูกต้องออหรือหรือถ้าไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนีนะ้ซึ่งอย่างที่ว่าแหละว่าบางทีท่านอาจจะไม่มีศีละพยายามทาํ า, า, ย า, ยาทงานให้มีศีลท่านก็ไม่มีศีลไม่มีศรัทธาพยายามทํางานให้มีศรัทธาก็ไม่มีศรัทธาละอย่างน้อยเราก็เป็นผู้ที่ดารงบ่งสกุลรู้จักที่จะทํากิจการงานของท่านคือในหน้าที่ของที่หกเรื่องของลูกเนี่ยที่จะต้องทําต่อพ่อแม่ นะีคือ 1. นึ่งท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่านตอบนะหรือสองอท่านทําการละไปเราก็จะทําบุญอยู่ที่ให้ <จะ S 1> หรือ3ให้เป็นผู้ที่ดารงมงสกุลนะหรือ4ก็ช่วยในกิจการงานของท่านเนะีพวกเนี้ยเป็นตัวอย่างเฉยๆนะที่ว่าถ้าเราไม่สามารถทําในเรื่องของคุณธรรมที่ลึกซึ้งได้เพราะว่าแน่นอนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราก็ทําหน้าที่ส่วนที่เป็นทางกายภาพที่เป็นทางวาจาที่เราจะพูดได้ทําได้กระทําได้ อืมเจ้าค่ะคือทําหน้าที่ของความเป็นรูปที่ดีตามที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้ในเรื่องของทิศทั้งหกให้ดีที่สุดนะเจ้าค่ะนะั่นคือระดับระดับหนึ่งนะคือทิศทั้งหกก็เป็นระดับทางกายทางวาจานะถ้าระดับที่สูงขึ้นไปก็เป็นทางใจเรื่องของศรัทธาจินสินจาระปัญญาเจ้าค่ะก็นะคือชักนําท่านไปในทางนั้นนะเจ้าค่ะใช่โยมคิดว่าสําหรับเคนที่น้องที่ถามมาเนี่ยเจ้าค่ะถ้าเขาอเจริญมรณ า, านุสติ ได้แล้วนะเจ้าค่ะแล้วฟังพระอาจารย์แนะนําวันนี้แล้วเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่ไปไปวัดไปปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะมากขึ้นก็จะทําให้ทั้งตัวน้องเองแล้วก็ตัวคุณพ่อคุณแม่นี่เจริญธรรมดีขึ้นนะเจ้าค่ะใช่เะ น, <c oughs> น, นอกจากอุบายที่เราพูดถึงในที่นี้นะที่จะทำให้ละบาปากุศลและธรรมต่างๆได้ <c oughs> ที่คุณดูแจ่มพูดมาเรื่องการเห็นความไม่เที่ยงที่จามาพูดมาสักครู่ก็คือการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นทุกอย่างหนึ่ง ก็ยอมรับมันจ้าหรือว่าสามที่เราพูดถึงการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาในสองระดับนะคือระดับแรกคือเรื่องของทิฏทั้งหกนะคือระดับทางกายทางวาจาการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาในระดับ เ, เรื่องของให้มีคุณธรรมมากขึ้นศีลจกักสัทธาปัญญาใช่ไหมแล้วก็นอกจากนี้ยังเรื่องของสมาธิที่พูดเมื่อสักครู่ว่ า, อานอกจากเรื่องของสมาธิที่ว่ามันมีความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าลึกซึ้งกว่าอยู่เรื่องของสมาธิ อันนี้ก็ได้ดอนอกจากกระบวนการพวกนี้ยังมีกระบวนการอื่นเช่นว่าการที่เราเห็นนะคุณธรรมอื่นๆที่มันเหนือกว่าเรื่องของทางมนุษย์นะคือาทางมนุษย์เนี่ยเราก็พูดถึงความสุขทางตาทางหูอย่างที่ว่ามีมานาปิดาแต่ถ้าเราเห็นความสุขอื่นที่เหนือกว่าคือเรื่องสมาธินี่พูดไปเมื่อสักครู่นะเราเห็นสิ่งอื่นที่มันเหนือยิ่งกว่านั้นอีกคือเรื่องของนิพานว่ามันมีสถานที่ที่มันไม่ต้องมากังวลเรื่องพวกนี้เป็นสถนะานที่ที่มันจะดับจากไอสิ่งที่ มันจะให้มีการปรุงแต่งอะไรต่างๆนั่นคือนิพานอั น, นนี้ก็คือใช้อีกเทคนิคหนึ่งเรียกว่าอุปัสมานุสติอุปัสมานุสติก็คือระลึกถึงสิ่งที่เป็นความดับความระงับไปตรงนั้นนั่นก็คืออันนี้เราใช้เทคนิคอื่นมาร่วมผสมกันนะคุณอนใจอืมเจ้นาค่ะนั่นคือเราเริ่มจากเรื่องของสมาธิไปแล้วเรื่องของการเห็นความไม่เที่ยงเรื่องของความเห็นความทุกข์ใช่ไหมเรื่องของการตอบแทนบุญกุลบรดาบิดาใน2ระดับตรงนี้เรากําลังจะเริ่มเอาเทคนิคอื่นมาร่วมกัน เนีเช่นว่าคุณเห็นลมาใจนี่ใช้อนาปานาสติช่วยในาการที่จะละไอสิ่งพวกนี้หรือเมื่อสักครู่อาตมาพูดถึงงั้นก็รื่อยถึงนิพานเนี่ยเป็นอุปสมานุสติหรือยถึงความที่สงบระงับไม่ต้องมากังวลคิดเรื่องพวกนี้นสถานที่แบบนั้นมันมีอยู่หรือว่าเราจะเรืร่อกถึงพระพุทธเจ้าออฉันไม่คิดเรื่องนี้แหละฉันจะเรื่อยถึงอิติปิโสเน่ยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาะเป็นบาอาจารย์นี่ยเรือเราจะรื่อยถึงครูบาอาจารย์น่ยพระเจ้าประสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ระลึกถึงตรงนี้นะคือเอาใจแทนที่จะไปจดจ่อในเรื่องของที่เป็นความสุขทางตาทางหูเป็นอกุศลระดับตรงนั้นเอาใจไประลึกถึงเรื่องอื่นซะเ <Okay. S 1> ช่นระลึกถึงเรื่องลมหายใจระลึกถึงบัพติจ้าระลึกถึงพระธารมระลึกถึงพระสงค์หรือแม้แต่ระลึกถึงศีลของเราคุณงามความดีที่ฉันเคยมีมาเจคาเอ้โยมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วคนบาปเราก็มีคนเราก็มีศีลบ้างนะนะ <Okay. S 1> เราจะระลึกถึงจังหวะไหนในชีวิตของเราที่แม่ฉันจะฆ่ายุงจะตบยุงอืฉันไม่ตบไม่ทำ นะไอการระลึกถึงตรงนี้นคือระลึกถึงศีลก็เรียกว่าศีลานุสติจุ๊บค่ะรนะลึกถึงในกายของเราเป็นกายยาขตาสติก็ได้แต่นะว่าเอาจิตให้อยู่ในกายรือลึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระดูกในกระดูกกับมีเยื่อในกระดูกนะเอน็นไตต่างๆก็เป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมนะจิตให้มันไปทางนั้นก็ได้จุ๊บค่ะมันก็ยังอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะจรุ๊บคบาปอากุศลธรรมตรงนี้ก็ละไปได้เพราะฉั้นตรงเนี้ยโหเป็นอีกเทคนิคได้อีกเป็นสิบอย่างยี่สิบ เหมืที่ว่าเทคนิคในวิธีการที่เราเมื่อลึกถึงความตายแล้วพบว่าถ้ายังมีบาบากุโสรธรรมอยู่เราจะลา บ, บาบากุโสระรรมเ่านั้นได้อย่างไรอันนี้เร า, าพูดกันมาตอนนี้นั่นเองเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วสำหรับน้องที่ถามมาผู้ใช้นามว่านโนวันนะเจ้าคะ โยมคิดว่าโยมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าพรอน้องอายุแค่20ปีนะเจ้าค่ะก็คือนะสิ่งที่น้องจะทําได้ในขณะนี้ก็คืออย่างที่พระเจ้าได้สักษาชี้แนะมา ก, ก็คือให้ปรงให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็อายุมากขึ้นทุกวันดังนั้นก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปวัดให้ท่านได้ถือศีลปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับทั้งสองทั้งลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่ก็อย่างน้อยน้องก็สบายใจว่าได้นําคุณพ่อคุณแม่ไปใน ทางที่ดีถ้าท่านจะละจากโลกนี้ไปก็คงจะไปในสู่ที่ที่ดีนะเจ้าคะแล้วถ้ายังมีเวลามากขึ้นก็ปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไปนึกถึงพระนิพพานซึ่งอาจจะไปไม่ถึงนะเจ้าคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็แน่ใจว่าเราได้ทําหน้าที่ลูกของเราดีที่สุดแล้วก็จะส่งคพ่อคแม่ไปในทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระจ่ตามกาลของแต่ละคนเจ้าค่ะอ่าคือถ้าบอกว่าเราทําได้ก็ก็ดี ถ้าทำไม่ได้มันก็จะมีทางออกอื่นอย่างเช่นที่ว่าว่าเราจะศีลอนุสติอุปสมานุสติพุทธานุสติกายคตาสติอันนี้เอาจิตไปไปส่งพวกนี้ก็ได้ทั้งหมดเจ้าค่ะอย่างน้อยก็ทําให้ความเศร้าที่มีอย่างพื้นๆที่ว่าจะต้องคากล่าเจ้าค่ะละได้นะเจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะ เ, เดี๋ยวฉันคิดว่าฟังพระอาจารย์พระมหาภบยบุญอภิปุโนโท่านได้สากชามาในเช้าวันอาทิตย์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนนี้คือวันที่23พฤศจิกายนนั้นก็คงจะได้ให้แง่คิด ทั้งกับทั้งท่านผู้ถามและก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการธรรมรัปรุณโดยพระอาจารย์พระมหาพบูลุญอภิปุโนเหมือนเช่นเคยนะคะท่านยังมีเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับปริญญาที่ไม่เป็นงูพิษมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะส่วนช่วงของการสาขานั้นเดือนพฤศจิกายนนี้มี5สาว5อาทิตย์นะคะดังนั้นเรากลับมาพบกันใหม่ในสาวอาทิตย์หน้ากับช่วงสาขานะ และดิฉันตื่นใจสินทูนิคนะคะสําหรับเช้าวันนี้ก็ขอ น, นำท่านผู้ฟังกราบอขอพระคุณและกราบน้มสักการลาพระอาจารย์พระมหาพัยบุญอภิปุโนโและพระเดชพระคุณหลวงพอ่ดอดรสอาดทโทภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโ่โศกตําบลดนอนไหโ่โศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบน้มสักการขอพระคุณและกราบน้มสักการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่าเสด็จผานสาธุเจ้าค่ะ